สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับรายการนี้มีผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนเป็นผู้ดำเนินรายการเราอยู่ที่ FM 89.5 MHz เเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาวันนี้รายการมรดกไทยก็จะพูดถึงเรื่องราวของบุญกุศล เรื่องราวของวันเข้าพรรษาและสิ่งที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นในรเร็วนี้นะครับวันนี้จะแจ้งรายการว่าทั้ง4ช่วงของรายการนั้นมีอะไรที่น่าสนใจนะครับสําหรับช่วงที่1มรดกเพลงไทยนะครับวันนี้นําเสนอเพลงที่ให้ข้อคิดเรื่องของการกระทําเรื่องของบุญของกรรมและการพึ่งพาอาศัยวันนี้นําเสนอเพลงเกิดมาพึ่งกัน คุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวที่น่าสนใจของเพลงเพลงนี้นะครับสำหรับช่วงที่สองมรดกวิถีไทยใกล้เข้าพรรษาแบบนี้นะครับวันนี้จะนำเสนอประวัติแล้วก็ความน่าสนใจรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาในส่วนของมรดกภูมิปัญญาไทยครับต่อเนื่องมาจากวันเข้าพรรษาตามกลับไปดูเรื่องราวของวันเข้าพรรษา และกิจกรรมอื่นๆที่แต่ละจังหวัดอาจจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันเขา้าวพรรษาได้อย่างน่าสนใจและในช่วงที่4ี่มรดกทางภาษาวันนี้นําสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาความเชื่อและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยนํามาฝากคุณผู้ฟังนะครับและนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในรายการมรดกไทยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ยังมีเพลงเพราะๆ เ, เช่นเคยที่นำมาฝากคุณฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบแต่ละช่วงของรายการนะครับ FM 89.5 MHz เมสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงที่1มระดกเพลงไทยช่วงนี้ใกล้เทศกาลเขา้าพรรษาผมเองก็อยากจะนำเสนอเพลงที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้คนได้รู้จักเรื่องการพึ่งพาอาศัยบาปบุญกุญโทษแล้วก็ศัตรธรรมในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้ผมเลือกเพลงเกิดมาพึ่งกัน ต้นฉบับที่ขับร้องไว้ก็คือคุณสุเทพวงกำแหงเพลงนี้เขียนคําร้องและทำนองโดยครูสลดยไกลเลิศนะครับสำหรับในเพลงนี้มีเนื้อหากินใจมากมายทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเกิดมาพึ่งกันผิวพันธ์ใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมขืนไปทาชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวร นี่เป็นความคิดที่ได้บอกกับคนฟังนะครับว่าคนเราเกิดมาพึ่งกันแล้วก็ทำความดีไม่แยกชนชั้นวันนะไม่เลือกนะครับไม่เลือกที่จะช่วยเหลือกันเป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับในเพลงนี้มีคําประพันธ์จากโครงโลกกนิตเป็นเสียงของนักร้องได้พูดไว้ว่าพฤพพกาศร อ, อีกุณชอนอันปลดปลง โททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาหลายสิ้นทั้งอินทรีส์สถิต ท, ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคุณผู้ฟังครับบทประพันธ์นี้มาจากเรื่องกลิศนาสอนน้องคำฉันเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรามานุิชิตชิโนรสซึ่งแม้ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพศ2542ได้กำหนดให้อ่านว่าพฤิศอ่านได้สองแบบนะครับก็คือพฤิศกับพฤิศแต่ว่าในลักษณะของคำประพันธ์นี้ต้องอ่านว่าพฤษศพระหรือพฤิศพระซึ่งเป็นอินทระวิเชียนฉันนะครับกำหนดให้คำที่สของวรร้าต้องเป็นราหุก็คือพยางมีเสียงเบา เรามาดูกันต่ออีกนิดนะครับคุณผู้ฟังพฤษศในที่นี้เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าวัวตัวผู้แล้วก็เป็นชื่อกลุ่มของกลุ่มดาวหนึ่งในจักรราศีดาวกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยดาวที่อยู่เรียงกันคล้ายรูปวัวที่มีเขาใหญ่แล้วก็โค้งงอในภาษาไทยพฤศศมีความหมายสองอย่าง เช่นเดียวกับในภาษาสันสกฤตนะครับแต่ความหมายว่าวัวตัวผู้นั้นใช้แต่ในเฉพาะวันนักดีส่วนความหมายของพฤษศที่เป็นชื่อกลุ่มดาวในจักรราศีนั้นมักใช้ว่าราศีพฤษศตามหลักโหราศาสตร์ไทยผู้ที่มีดวงตกอยู่ในราศีนี้ก็คือเกิดในราศีนี้นะครับคือคนที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่ 13มิถุนายนนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังพฤิศยังปรากฏในชื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งแปลว่าการมาถึงของราศีพฤศศคำประพันธ์บทนี้หมายความว่าบัวควายและช้างเมื่อตายไปแล้วเขาทั้งสองและงาทั้งสองของสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องให้ระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่ส่วนมนุษย์เหล่านั้น เมื่อสิ้นชีวิตร่างกายสูนสิ้นหมดแล้วสิ่งที่คงไว้ก็คงจะเป็นเพียงแค่ความดีเท่านั้นและนี่คือความงามสเสน่ห์ของบทเพลงไทยขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงเกิดมาพึ่งกันขอเชิญรับฟังครับ เป็นคนย่าเห็นกระตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสันจนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รา ก, กันพึ่งพายาไปตันไม้ตรีเกิดมาพึ่งกันพึ่งเดวพันชชยแบ่งสักสีวันนี้เรา จะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมพื้นไปทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรต้องใช้กรรมเวอย่างมงายโลภโลกเพราะคงจะเกิดลำเคนสร้างบุญพระท่านคงเห็นวมเย็นพ้นความกังวนถึงวิบัติขาสนผลบุญนำให้ ถ้มามันใจไม่ต้องไปกังวลถึงจะมีจะจนเกิดกุศลโดนใจกุศลโดนใจพระศพพกาสอนอีกุญชอนอันปลดปลงมโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางไว ทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกิดเป็นคนจะเห็นแค่ตนและดีถึงจะมีร่ำรวยสุขสารจนหรือมีไม่เป็นที่สำคัญแม้รั ก, กันพึ่งพาาย่าไปตัดไมตรีเกิดมาเพื่อ วันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนไปทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวรอย่างมงายโลภหลงเพราะคงจะเกิดลำเข็ญสร้างบุญพระท่านคงเห็นรมเย็นพอ กาังวลถึงวิบัติข่าสวรผลบุญทําให้ศิลธรรมมั่นใจไม่ต้องไปทังวนถึงจะมีจะจนเกิดกุศลดนใจรายการโมรดกไทยจัดทําขึ้นเพื่อการศึกษา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 ศูนย์นวัตกรรมความรู้ RMUTT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี เปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วทีน่นี่ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรในสไตล์การออกแบบรองรับการจัดกิจกรรมทั้งโซนอบรมสัมมนารองรับได้1 0 2ถึงที่นั่งโซนห้องเรียนฝึกอาชีพโซนนิทรศการสร้างสรรค์ไอเดียพร้อมพื้นที่โถงขนาดใหญ่ขนาดตั้งแต่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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน Sweet FM อฟแอวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง w w w r a d ไ o ด์เ t ็บดัตโาทรงหถึง หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการฟังเพลงในช่วงมรดกเพลงไทยไปแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขได้เห็นความงามของภาษาไทยในบทเพลงนะครับต่อไปมาถึงช่วงที่สองมรดกวิถีไทยผมจะถามคุณผู้ฟังว่าปกติคุณผู้ฟังในช่วงที่ใกล้วันเข้าพรรษาแบบนี้คุณผู้ฟังจะเดินทางไปทาบุญที่ไหนได้ ตั้งจุดประสงค์อะไรบ้างในการไปทำบุญในวันเข้าพรรษาวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวของวันเข้าพรรษามีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เทรวาจะอธิษฐานว่าจะพักประจาอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนดเป็นระยะเวลาสาเดือนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติเอาไว้ โดยไม่ให้ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันทั่วไปว่าไม่ให้ไปจำพรรษาที่อื่นนั่นเองซึ่งวันเข้าพรรษาของปี2562ก็ตรงกับวันพุธที่17กรกฎาคมซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเข้าพรรษาแปลว่าพักฝนนะครับคุณผู้ฟัง ก็หมายถึงพระภิสุสงฆ์ต้องประจําอยู่หน้าที่วัดใดวัดหนึ่งในระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระพิกสุในสมัยพุทธกาลนั้นมีหน้าที่ต้องจาริกโปรดสัตว์แล้วก็เผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสถานที่ต่างๆไม่จําเป็นต้องมีที่อยู่ประจําแม้กระทั่งในฤดูฝนก็ได้รับคําตําหนิจากชาวบ้านว่า การที่พระท่านได้เผยแผ่พระธรรมเทศนาเดินไปตามที่ต่างๆนั้นอาจจะไปเหยียบข้าวกล้าพืชได้รับความเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดสเดือนในฤดูฝนโดยแบ่งเป็นดังนี้นะครับเขาเรียกว่าปุริมพรรษาก็คือวันเข้าพรรษาแรก ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันแรม1น่งข้าเดือน8ของทุกปีนะครับคุณผังทีนี้มีข้อสังเกตว่าถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็อาจจะเลื่อนมาเป็นวันแรม1น่งข้าเดือน8ในเดือน8หลังนะครับแล้วก็ออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ําข้เดือน11มาถึงปัดชิมพรรษาก็คือวันเข้าพรรษาหลังก็เริ่มตั้งแต่วันแรม1น่ําเดือน9 จนถึงวันขึ้น15ค่ําคำเดือน12อย่างไรก็ตามนะครับหากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาได้ในวันเดียวพระรูปนั้นก็จะได้รับการอนุญาตให้ค้างแรมได้ครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน7คืนที่เรียกว่าสัตตาหะนะครับหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาก็จะเรียกว่า พันษาขาดนะครับสำหรับข้อยกเว้นที่ให้พระภิกษุจำภรษาที่อื่นได้โดยไม่ต้องถือเป็นการขาดภรษาที่เว้นเกินเจวันนั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมากนะครับข้อแรกการไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามันดาที่เจ็บป่วยกรณีที่1นะครับกรณีที่2การไประ ง, งับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิได้ศึกแล้วก็ข้อที่3าม การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุดเป็นต้นส่วนข้อ4หากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ฉลองศรัทธานในการทำบุญบำเพ็ญกุศลของผู้ที่นิมนต์ได้คุณรู้ฟังครับนอกจากนี้ระหว่างเดินทางที่ตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกษุห้ามเข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมือง ก็จะพอหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องอาศัยอยู่ตามโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลาบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยหลบฝนนะครับการกระทำแบบนี้ช่วยเหลือพระหลายๆองค์ก็เรียกว่าการปลูกเพิงเล็กๆนี่เรียกว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ของสงฆ์ เมื่อหมดไปแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะออกจาริกตามกิจของท่านถึงหน้าฝนคราวหน้าท่านก็กลับมาพักที่เดิมเหตุผลเพราะว่าที่นี่อาจจะสะดวกแต่บางท่านก็อาจจะอยู่ประจำเลยบางทีเศรษฐีผู้มีที่จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็อาจจะเลือกหาสถานที่ที่จะดูแลสงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักก็จะสร้างที่พักที่เรียกว่าอาราม ให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ดังเช่นในปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าการเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระพิสุแต่พุทธศาสนิกชนก็จะถือโอกาสเหล่านี้นะครับทำบุญรักษาศีลชำระจิตใจให้ผ่องใสให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยกันทําความสะอาดเสนาสะนะซ่อมแซมกุฏิวิหาร พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปทําบุญตักบาตรถวายเครื่องสักการะบูชาอาจจะมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เครื่องใช้เช่นสบู่ญาสีฟันเป็นต้นพร้อมทั้งฝังเทศฝังธรรมและรักษาอุโบโสถศิล์ที่วัดนะครับบางคนอาจจะตั้งใจงดเว้นอบยมุขเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษนะครับเช่นงดฆ่าสัตว์งดเสพสุราอันนี้เป็นตัวอย่าง เขาบอกว่าบิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้กับบุตรหลานของตนโดยถือกันว่าถ้าบวชเรียนแล้วก็อยู่จําพรรษาในระหว่างนี้ก็จะได้รับอนิสงฆ์อย่างสูงมากทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นธรรมเนียมนะครับว่าเมื่อเข้าพรรษาหรือก่อนเข้าพรรษาก็จะคุณผู้ฟังครับเป็นธรรมเนียมนะครับก่อนวันเข้าพรรษาก็จะมีประเพณีสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประเพณีหล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่กระทำกันมานานแสนนานทีเดียวซึ่งการหล่ะเทียนเข้าพรรษานี้ก็มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะว่าใกล้จะถึงเข้าพรรษาพระพิสุ์จะมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นและในการนี้ก็จะต้องมีทูบมีเทียนจุดบูชานะครับดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันรอเทียนพรรษาสําหรับให้พระพิสุ์จุดเป็นกุศ ล, ลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มภูลปรรัญญาหูตาสว่างสวัยนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นร่วมกิจกรรมทาเทียนจำนำพรรษาหรือร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้าฝนและก็จตุปัจจัยแก่พระพิสุสั ม, มนเนร หรืออาจจะร่วมทำบุญตักบาตรรักษาอุโบสถศินหรืออธิษฐานงดเว้นอบัยมุกต่างๆสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกุศลจิตนะครับเป็นสิ่งที่ดีก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่แหละในการปรับเปลี่ยนชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตคิดและทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อตนเองและเพื่อสังคมนะครับ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 เขาหรือขากน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลายทน ที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยและวันนี้ฉันรู้ต้องเดือยนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยินได้ไม่คิดจะยอมแพ้ ด้วยรักมันคงไม่อยากเกินที่จะเดินไปให้ถึงปลาย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 ผู้ฟังครับหลังจากช่วงที่แล้วผมได้เล่าเรื่องราวของวันเข้าพรรษาและสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแล้วนะครับมาถึงในช่วงของมรดกภูมิปัญญาไทยผมจะพูดถึงงานประเพณีเข้าพรรษาตามท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องน่าสนใจมากทีเดียวนะครับประเพณีตักบาตรด อ, อกไม้นะครับเป็นประเพณีสาคัญที่อยู่คู่กับ วัดพระพุทธบาทซึ่งประชาชนชาวอำเภอพระพุทธบาทแล้วก็อำเภอใกล้เคียงก็จะถือเอาวันเข้าพรรษาของทุกปีนี่แหละซึ่งโดยปกติก็ตรงกับวันแรมหนึ่งคเดือน8นะครับเป็นวันที่ตักบาทดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็มีมาตั้งแต่ปีพศสอ 2, 5 4 4เป็นต้นมาโดยจังหวัดสระบุรีได้เพิ่มจานวนวันที่ตักบาทดอกไม้จาก 1วันเป็น3วันแล้วก็มีพิธีตักบาทดอกไม้วันละสองรอบก็มีรอบเช้าเวลา10นาฬิกาแล้วก็รอบบ่าย15นาฬิกาซึ่งในวันแรกของการจัดงานนะครับจะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในอนาบริเวณของพระพุทธบาทคุณรู้ฟังครับในส่วนภาคค่า ก็จะมีขบวนพายุหญาตราสมเด็จพระเจ้าทรงรมก็จะมีขบวนรถบุพาชาติการแสดงศิลปะพื้นบ้านการแสดงวัฒนธรรมแล้วก็มีขบวนต่างๆที่เขาจะเริ่มเคลื่อนจากหน้าสานักงานเทศบาลตำบลพระพุทธบาทไปตามถนนพหลโยธินแล้วก็เลี้ยวเข้าบริเวณพระพุทธบาทซึ่งเป็นวัดพระพุทธบาทมหาวระมหาวิหาร โดยจะมีพิธีเปิดงานซึ่งเป็นพิธีตักบาดดอกไม้ในภาคค่าดอกไม้ที่เขาใช้ตักบาดนะครับก็จะเป็นดอกเข้าพันษาเท่านั้นชื่อว่าดอกเข้าพันษานะครับก็จบไปสาหรับงานที่1ถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ต่อไปก็เป็นงานแห่เทียนพันษาฟักทองน่าสนใจนะครับก็เป็นการเชิญร่วมงานแห่เทียนพันษาฟักทองเนี่ย ก็จะจัดในวันอังคารที่16กรกฎาคมณวัดอัมพวันแล้วก็บริเวณเทวารัยพระพรมอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคุณผู้ฟังภายในงานเนี่ยก็จะมีขบวนแห่เทียนฟักทองโดยขบวนเขาก็จะเดินทางออกจากหลังวิทยาลัยเกษต ร, รแล้วก็เทคโนโลยีเลาะริมคลองชนะระทานผ่านตลาดปากบางไปจนถึงวัดอัมพวัน คุณผู้ฟังครับโดยการหล่อเทียนพรรษารูปฟักทองเนี่ยก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ประจําจังหวัดในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักที่สิงห์บุรีทั้งอย่างเป็นการแห่เทียนพรรษาฟักทองของสิงห์บุรีขึ้นเป็นครั้งแรกต่อไปมาถึงงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและการตักบาทบนหลังช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสุรินทร์ก็ จัดในวันที่15ถึงวันที่16กรกฎาคม2562นาบณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีจางวางที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาและก็ขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟรลยิบระยับแล้วก็มีขบวนอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนามีการประกวดสวดมนต์หมูทํานองสารพัญญะแล้วก็มีการประกวดการจัดโต๊ะหมูบูชามีการทำบุญตักบาตรบนหลังช้างซึ่งยิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับมาถึงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอาเภอสวนพึ่ง งานนี้ก็จัดที่อำเภอสวนพึ่งนะครับวันที่ 16-17 กรกฎาคม2562จัดที่บริเวณเทศบาลตำบลชัดป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับชมการประกวดรถบุภาชาติประเภทสวยงามก็ดูความคิดสร้างสรรค์ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่างๆในเขตอำเภอสวนพึ่งแล้วก็ใกล้เคียง ร่วมหล่อเทียนพรนษาถวายวัดแล้วก็ชมนิทรศการทางพระพุทธศาสนานอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มีการจําหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็คารวาลสินค้าราคาถูกมากมายซึ่งงานประเพณีที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นสีสันและเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจะสังเกตว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทีเดียวเดินทางมาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเดินทางมาชมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่งดงามแปลกและก็ไม่เหมือนใครนะครับ ยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่าง ก, กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องหา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 คืนที่ไรแสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนอุมใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอน นาวถนงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง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 ลำบากอะไรไหมเธอสู้ไห้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสูกันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโ น, น่นนาวถึงคันตรงนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากอะไรไหม เธอสู้ไววหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู้กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสู้ไว้หรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู้กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน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 คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับสังเกตว่าตอนนี้เสียงผมเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับมีอาการเสียงขึ้นจมูกเนื่องจากน่าจะเป็นหวัด <c oughs> เป็นอาการแรกเริ่มของการจะเป็นหวัดต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เราจะนำเสนอสำนวนที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับอันดับแรกเลยมาดูสำนวนนี้คุณผู้ฟังคุ้นเคยกันดีเพราะว่าคนไทยเชื่อในเรื่องของบาปุน ค, คุณโทษนะครับ กงกรรมกรงเกวียนหรือกงเกวียนกรรมเกวียนก็หมายถึงการหมุนไปตามสภาพการเป็นไปตามเหตุผลหรือเวีกรรมตามสนองก็ได้นะครับในส่วนกรรมย่อมตามทำก็หมายถึงผลการกระทําไม่ว่าจะทําดีทําชั่วย่อมตามสนองผู้ที่กระทําไม่มีใครหนีผลกรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับสํานวนก่อกรรมทําเข็น ก็หมายถึงก่อความเดือดร้อนทําความเดือดร้อนอยู่ร่ำไปต่อไปสำนวนกินบุญเก่าก็หมายถึงได้รับผลแห่งความดีที่ได้ทําไว้แต่ปางก่อนและสำนวนนี้คุ้นๆไหมครับคุณผู้ฟังแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ก็หมายถึงอย่าทําอะไรที่เป็นการแข่งขันกับคนที่สูงสักกว่าตน อย่าหมายมั่นในสิ่งที่เกินฐานะของตนนะครับคํานี้ผู้ใหญ่ก็สอนไว้บ่อยๆปลอบใจตัวเองสำนวนตามยถากรรมคุณนเคยนะครับหมายถึงเป็นไปตามกรรมสุดแต่จะเป็นไปนะครับสำนวนบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรก็จะหมายถึงจงเพียรพยายามละบาปอันเป็นทุนเดิมและรีบทำบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไป สำนวนบุญธรรมกรรมแต่งนะครับคุณผู้ฟังหมายถึงผลบุญผลกรรมที่เคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนสำนวนบุญมาวาสนาส่งก็หมายถึงเมื่อมีบุญมาถึงวาสนาก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นนะครับและมาถึงสำนวนบุญหนักศักย์ใหญ่ก็หมายถึงมีอำนาจวาสนามากอยู่ในตำแหน่งที่สูง คุณผู้ฟังครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มสัมนวนที่เกิดจากพิธีกรรมแล้วก็สิ่งที่พึงปฏิบัติทางศาสนานะครับยกตัวอย่างเช่นกรวดน้ำคว่มขันกรวดน้ำคว่มกะลา ก, ก็ได้ก็หมายถึงตัดญาติขาดมิตรไม่คบหาสมาคมด้วยหรือจำศีลอย่าเอาหน้าภาวนาอย่าว่าแต่ปากก็หมายถึงอย่าทำบุญทำทานถือศีลฟังธรรมเจริญธรรมกรรมฐานเพื่อ ปวดคนอื่นนั่นเองและสำนวนที่3ตบหัวกลางสาลาขอขมาที่บ้านสำนวนนี้คงจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักนะครับ<อ>ก็หมายถึงลักษณะของคนที่ทำให้คนอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือความอับอายท่ามกลางสาธารณชนแต่เมื่อจะรับผิดก็กลับไปแอบขอรับผิดเฉพาะกับผู้ที่ตนได้กระทาสำนวนตักบาตอย่าถามพระ อันนี้ผู้ใหญ่จะสอนบ่อยมากหมายถึงจะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้วไม่ควรจะถามสำนวนทำบุญเอาหน้าก็หมายถึงทำบุญโอ้อวดไม่ได้ทำด้วยใจบริสุทธิ์บวชอย่าให้เสียผ้าเหลืองสึกอย่าให้เปลืองผ้าลายก็หมายถึงเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะทำอะไรหรือเป็นอะไรนะครับต้องทำต้องเป็นให้ดีที่สุดพรั้งปากเสียศีล พลังตีนตกต้นไม้ก็หมายถึงพูดหรือทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังย่อมก่อให้เกิดความเสียหายนั่นเองและมาถึงกลุ่มสำนวนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและปัจจัยที่ใช้ในทางศาสนานะครับยกตัวอย่างเช่นขนทรายเข้าวัดก็หมายถึงการหาประโยชน์ให้ส่วนรวมข้าวกลบบาทหมายถึงอาหารเหลือจากพระที่ฉันแล้วที่ลูกศิษย์ได้อาศัยกิน ความบาทก็หมายถึงไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วยเดิมนี่อาจจะหมายถึงสังฆกรรมที่ประสงค์ประกาศลงโทษคฤหัสผู้ที่ประทุสร้ายต่อพระาศาสนาด้วยการไม่คบไม่รับบิณฑบาตนะครับคุณผู้ฟังมาถึงชาย3โบสหญิงสามผัวนี่คบไม่ได้หมายถึงผู้ชายที่บวชถึง3ครั้งผู้หญิงที่มีสามีถึง3ครั้งแสดงว่าเป็นคนใจคอโลเลไม่หนักแน่น ถือว่าคนเหล่านี้คบไม่ได้และมาถึงสำนวนตัดหางปล่อยวัดก็หมายถึงการตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระด้วยอีกต่อไปคุณผู้ฟังคุ้นเคยกับสำนวนนี้ไหมครับเทนสองบาทก็หมายถึงคนที่ทำอะไรตามใจทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะครับทาตามเข้าไปเรื่อยเปื่อยสำนวนพอไปวัดไปว่าได้ ก็หมายถึงความสวยนะครับอาจจะใช้กับผู้หญิงหมายถึงว่ามีหน้าตาสะสวยพอที่จะไปทาบุญที่วัดในวันพระวันศิลป์ได้ผ้าเหลืองร้อนก็หมายถึงอันนี้หมายถึงพระพิสุนะครับอยากศึกใครจะมาทัดทานอย่างไรห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฝั่งทางสิน้นแล้วก็มาถึงไม่ลงโบสกันก็หมายถึงไม่ถูกกันจึงไม่ยอมทำงานร่วมกันนั่นเอง แล้วก็มีสำนวนที่ฝากไว้อีก23งสาำนวนนะครับเช่นชั่วช่างชีดีช่างสงก็หมายถึงปล่อยไปตามเรื่องตามแต่อยากจะทำกันผิดถูกอย่างไรก็ไม่เอามาเป็นธุระไม่สนใจไม่คัดค้านไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยโดยมากจะใช้กับพระพิสุสงนะครับและสำนวนยอดทิศแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็หมายถึงการยอมแพ้ทำให้เรื่องสงบการไม่ยอมแพ้ก็อาจจะทาให้เรื่องไม่สงบนั่นเอง ลูกสมพารหลานเจ้าวัดก็หมายถึงลูกเจ้าลูกนายลูกผู้ที่มีอำนาจนั่นเองและสุดท้ายสำหรับสำนวนในวันนี้นะครับสอนหนังสือสังฆราชก็หมายถึงสอนสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้วคุณรู้ฟังเห็นไหมครับว่าสำนวนไทยมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยไม่ว่าในเรื่องของการทำมาหากินขนรรมเนียมประเพณีรวมถึงาศาสนาด้วย สํานวนสุภาษิตเป็นสิ่งที่มีค่านะครับช่วยการอนุรักษ์รักษาเพื่อเป็นภูมิปัญญาตกทอดให้กับลูกหลานไทยต่อไปครับ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เมกะรคุณผูฟังครับเวลาของรายการมรดกไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งหวังทุกครั้งนะครับว่า รายการมรดกไทยจะทำให้คุณผู้ฟังได้ทั้งสาระและก็ความบันเทิงหากคุณผู้ฟังสนใจติดตามรับฟังรายการนี้นะครับก็หมุนคลื่นมาที่ FM 89.5 m ม z สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนขอขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับฟัง เราจะพบกันใหม่คราวหน้าด้วยเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆแบบนี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com.rmuttradio หรือทาง l ล n e Official RMTT u Radio.